พุทโธสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสัสนีษฐานาดําเนินรายการโดยสรสนีษฐนาาคพงนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอแห่งนี้เรามีพระมหาภาบูบุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีมาให้ธรรมะนะคะในสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสเอาไวา้และเหนือสิ่งอื่นใดที่ดิฉันพยายามจะทําให้กับทุกท่านเราเห็นว่าล้ําค่ามากนั่นคือการให้ในทุกๆเช้า ตอนต้นของรายการท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมภายใต้การนำของพระภิกษุซึ่งได้บอกสอนเรื่องของการปฏิบัตินะคะเป็นประจําทุกเดือนบางเดือนก็มีมากกว่า1คอร์สอย่างเช่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนะี่ยมีถึง3คอร์สด้วยกันที่วัดป่าดอนหายโศอุดรธานีเตรียมตัวกันให้ดีแล้วนะคะเพราะเริ่มรายการไม่กี่อใจก็จะเข้าสู่การปฏิบัติพร้อมกันแล้วเราไปพบกับ พระมหาภัยบูรณ์อภิปุนโนกันได้เลยค่ะกราบนำ้ำมัสการนนะท่านคะเชิญพันตั้งแต่พระเจ้าตรัสรู้อยู่ที่ใต้ต้นไม้โพเนี่ยก็มามีความคิดว่าเอ๊ะจะสอนธรรมะอันไหนก่อนดีที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่รู้ตามพระองค์ได้ความประลึกข้อนี้ก็ได้เกิดขึ้นถึงเรื่องของสตินั่นเองสติเป็นสิ่งแรกที่พระองค์ได้ตรึกว่าจะสอนเรื่องนี้ซึ่งสติที่เราจะตั้งขึ้นได้นี้ เราก็อาศัยอย่างที่โพธิสัตว์ทำมาก่อนก่อนที่จะตรัสรู้ก็คือใช้อโรมยยัยใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเป็นฐานที่ตั้งของสติเวลาที่เราจะตั้งจิตของเราขึ้นนะคือถ้าจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่นะสติก็จะตั้งขึ้นทันทีอยู่ตรงไหนล่ะลมหายใจเพราะมันเข้ามันออกมันยาวๆเลื่อนไปเลื่อนมานะเอาสักจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมหายใจของเราได้ รับรู้ได้ที่ตรงไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นจิตของเรามาจอดอยู่ตรงนั้นจิตของเรามาระลึกถึงตรงนั้นจิตของเรามากําหนดอยู่ตรงนั้นจิตของเรามารู้อยู่ตรงนั้นในการระลึกถึงกําหนดรู้ดูอยู่นั่นน่ะถ้าจิตมันมาอยู่ตรงนั้นแล้วสติเราก็อยู่ด้วยสติตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องที่จะรักษาจิตของเราไม่ให้มันเลื้อยไปในทางที่เป็นอกุศลนะเพราะเมื่อไหร่ที่จิตมันจะไปคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรที่เป็นอกุศลปุ๊บเราปล่อยความคิดเหล่านั้นซะ ให้จิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่ที่ที่ตั้งที่ตั้งนี้ก็เป็นเสมือนบ้านด้วยแต่เป็นวิหารธรรมวิหารก็คือที่อยู่แต่วิหารธรรมก็คือธรรมที่ใช้เป็นที่อยู่ที่อยู่ของจิตที่อยู่ของเราพระอรหันต์ที่อยู่ของพระปัจเจกบุทธเาพระสมณะพุทธเจ้าแต่ก็จะมีที่อยู่ของจิตเนี่ยคือลมหายใจเหมือนกันแตเราอยู่ที่ที่เดียวกันกับที่พระเจ้าอยู่อยู่ที่ที่เดียวกันกับที่พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่แต่ก็อยู่กับลมหายใจนี่แหละ มีตรงนี้เป็นมิหารธรรมในะเรื่องใดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมานะมันก็จะค่อยจางคลายไปนะเพราะว่าจิตของเรามามีที่ตั้งที่ระลึกถึงและเวลาที่เรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงอย่างนีนะ้เรามาพิจารณาถึงหมวดธรรมอันหนึ่งที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้กับพรามที่ชื่อวัชชะนะพูดถึงเรื่องการให้ทานตรัสกับพรามที่ชื่อวัชะไวนะ้อย่างนี้ว่าวัชะ เราย่อมกล่าวว่าผู้ใดเทน้ําล้างหม้อหรือน้ําล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ํากรมหรือทางน้ําโสโครกซึ่งมีสัตว์ที่มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยความคิดว่าสัตว์ในน้ํานั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการกระทําแม้ฉะนั้น ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกันอีกอย่างหนึ่งเรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลเป็นทานที่มีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลเป็นทานที่มีผลน้อยทานที่ให้แก่ผู้ที่มีศีลนั้นและผู้ที่มีศีลนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์หาและประกอบอยู่ด้วยองค์ห้า คือละเสียซึ่งกามาชันทะละพยาบาดละทีนมิทะละความฟุ้งซ่านนำการใจและละความลังเลสงสัยและประกอบอยู่ด้วยองค์5คือประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติและด้วยบุญมุติญาณทศนะในระดับขั้นของพระอาหารหันต เรากล่าวทานที่ให้ในบุคคลประเภทนี้แหละจะมีเป็นทานที่มีผลมากมีอ น, นิสง์มากโคอุสภพะที่เขาฝึกดีแล้วนำธุระไปสมบูรณ์ด้วยกำลังประกอบด้วยชาวอันดีจะเกิดในสีสันชนิด ใ, ใดๆคือสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีด่าง หรือสีตามธรรมชาติของมันก็ตามหรือสีเหมือนนกพิราบก็ตามส่วนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเทียมมันเข้าในแอกไม่ต้องไฟคำหนึ่งถึงสีสันของมันฉันใดก็ฉันนั้นในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ที่ฝึกตนดีแล้วมีข้อวัดเรียบร้อยตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศรรีลพูดแต่คาสัตย์ลงภาระลงแล้ว พ้นกิเลสทำกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะแล้วรู้จบทำทุกอย่างดับเย็นแล้วในปัจจุบันไม่ยึดมั่นตือมั่นย่อมจะเกิดในสารชาติใดอย่างได้อย่างหนึ่งในบรรดาชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นพราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานหรือคนเทขยามูลฝอยทักษีนาย่อมมีผลมาก ส่วนคนพานไม่รู้แจ้งสามปัญญามีได้สะดัะฟังรรมย่อมพากันให้ทานในภายนอกไม่เข้าไปหาสัตบุุษก็ศรัทธาของผู้ที่เข้าไปหาสัตบุุษย่อมมีปัญญายกย่องกันบ้าเป็นปราชยังรากลงตั้งมั่นในพระสุกตและเขาเหล่านั้นย่อมพากันไปเทวโลกหรือมิฉะนั้นก็เกิดในสกุลในโลกนี้ มันดิดย่อมบรรลุนิพพานได้โดยลําดับนี่คือเรื่องของทานที่ได้ตรัสไว้ในขณะที่เรามีสติอยู่นี้แล้ก็ฟังคําบรรยายต่อไปเริยนบาลค่ะสาธุค่ะท่านฟังคะบางคนที่อาจจะเพิ่งมาฟังรายการใหม่ๆแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาจะปฏิบัติตามที่เราได้เตือนท่านในตอนต้นแต่พอมาถึงตอนนี้อาจจะบอกว่าเอาปฏิบัติไปตอนไหนหรอ <c oughs> มัวแต่ฟังอาจารย์ไฟพูน ได้กล่าวสิ่งที่พระพุทโธตรัสในเรื่องทานใช่ใช่ก็คือเออเอาเอ า, เอาทีละเรื่องเอาเรื่องการปฏิบัติก่อน <c oughs> นะี่ยถ้ามา <c oughs> จะต้องเน้นย้ําอย่างนี้คุณโยมติว่าการปฏิบัติของคุณเนี่ยมันต้องมีตลอดเนต้องมีตลอดเพราะฉะนั้นเราจะฟังหรือแม้แต่ฟังตอนนี้ถ้าคุณจิตมีสติอยู่คุณเรีย ก, การปฏิบัติหรล่านะีทีนี้เรากำลังพูดถึงว่าเอ๊ะคุณจะต้องมาทําเป็นรูปแบบหรือเปล่าใช่ไหม การทำเป็นรูปแบบก็ดีมีเวลาที่มันมาฝึกจริงๆจังๆนะในช่วง30นาทีที่เราฟังเป็นบทสนทนาอย่างนี้เราก็ปฏิบัติเป็นรูปแบบไปได้นะเช่นหลับตานั่งคู่ขานะกำหนดลมหายใจให้มันเป็นรูปแบบอันนี้ก็ทำได้ทนะ า, าได้ทาได้ค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าอยากจะได้ลักษณะเป็นการฝึกตนในการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบท่านอาจจะ นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าฟังธรรมที่ท่านพิบูรที่เป็นผู้ทวจระเนี่ยได้อ่าพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีสติในการที่จะฟังใช่แต่แตและ ว, วันก็จะเอาพระสูตรมาให้ใหท่านผู้ฟังฟังเนี่ยมันก็จะเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างแล้วก็ฟังเนียนๆไปไงค่ะท่านคะทีนี้สมมติเกิดเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็น ผู้ฟังรายการวิทยุส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมุติรายการไหนที่สนใจก็จะฟังแบบตั้งใจก็ฟังรู้เรื่องอะไรต้นจนจบไปนะคะอย่างนี้เรียกว่ามีสติในการฟังไหมค ะ, ะใช่ใช่ก็เอาใจจดใจจ่อไว้ในการฟังนะคะแต่จะแตกต่างอย่างไรกัคะกับสติในลักษณะของการปฏิบัติคะหรือว่าเหมือนกันคือมันอยู่ตรงนี้เวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ย ใจของเราเนี่ยจะต้องให้ตั้งมั่นเอาไว้นะแล้วเราเอาจิตของเราเนี่ยไม่ไดเอาไปไว้ที่ผู้พูดหรือไม่ได้ไปไว้ที่คําพูดแต่ว่าเอาไว้ที่ในการฟังของเรานะคือคือไม่ได้ไว้ที่หูด้ยนะคือถ้าเราไว้จิตไว้ที่วิทยุวิทยุมันมันแบบฟังไม่ดีมีคลื่นแท้เดี๋ยวเราจะกังวลเราจะแบบไม่พอใจแต่จิตเราก็ไม่ได้ไม่ไว้ที่วิทยุก็ไม่ได้ไว้ที่หูด้วยแต่ไว้ที่ความสงบในใจ ไหนะอะไรเข้ามาดีไม่ดีเนี่ยมันจะสบายใจอยู่ไหนะอะไรเข้ามาคุณไม่สงอ่ากุณไม่เข้าใจคํานี้มันก็จะค่อยเข้าใจไปได้เพราะความที่จิตเราสงบอยู่นี่ยนะะี่คือแบบเราฟังเทคนิคการฟังธรรมะอะนะค่ะซึ่งมันจะมันจะแตกต่าง ก, กันกับฟังเพลงหรือว่าฟังแบบอื่นๆ อ, อยู่นิดนึงตรงนี้ละ่ะเชนพานค่ะ น, นะคะก็คงจะได้อ่ารายละเอียดเข้าใจมากขึ้นน่ะ ว่าอ๋อนั่นแหละเป็นการฝึกปฏิบัติแล้วและในใขณะเดียวกันถ้าท่านไม่พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติในลักษณะที่ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังก็สามารถที่จะฟังรายการแบบได้ประโยชน์ซึ่งถือว่ามีสติในระดับหนึ่งถูกต้องถูกต้องแล้วก็การมีสตินี้ดีที่สุดต้องมีตลอดเวลาให้ได้ใช่ค่ะท่านคะทีนี้เนื้อหาล่ะคะ่ะเทีนเห็นหัวข้อเนี่ยกระชอบแล้วที่บอกว่าทรงแก้ข้อหา ทรงแก้ข้อที่เขาหาว่าเกียรติการทานคือเหมือนก็บอกว่าบางคนบอกว่าพระมาบอกให้ให้ทานตัวเองมากกว่าอืเพราะว่าอบอกว่าต้องให้คนมีศีลใช่ไหมคะแล้วต้องศีลดีด้วยใช่ใช่ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรามชื่อวชชะเขาเขาไปกล่าวหาพระรูชาว่าได้ยินมาอไม่ใช่ว่าได้ยินหรอกจะต้องพูดยังไงถึงจะเรียกว่าไม่เป็นการกล่าวตู่พระราชาว่าทําทานเนี่ยให้กับเฉพาะ สมณโคโดมกับพวกของสมณโคโดมเท่านั้นพวกอื่นไม่ต้องให้อย่างนี้หรือเปล่าพูดอย่างเนี้จะถูกไหมอย่างนี้นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่ า, าพูดอย่างนั้นจะไม่ถูกแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนกนะ็คือไล่มาตั้งแต่เรื่องของการแค่ว่าคุณล้างหม้อแล้วก็เอาเศษน้ําอะไรเนี่ยที่มันเหลือเท ล, ลงไปในบ่อ น, น้ําต้มหรือน้ําคร่าเพื่อที่ว่าสัตว์อะไรที่มันอยู่ในนั้นจะได้กินเนี่ยด้วยจิตที่เราอยากจะให้มันนะด้วยจิตแบบนี้นะเราจะได้บุญทันที นะเราเอาเข้าวให้หมาหมามาอกินนะเราจะได้สบายนะแค่นี้คุณได้บุญคุณ เ, เก็บสุนัขมาเลี้ยงสุนัข ก, กําพรา้าพวกนี้คุณได้บุญหมดเลยนะ<ม>ได้บุญแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่เป็นทางแห่งบุญเป็นทางมาแห่งบุญนะอั น, นี้พระเจ้ายืนยันเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าศาสตร์มันทิ้งลงไปเพราะเห็นว่ามันเป็นน้ําคลําทิ้งลงไปได้แต่ตอนที่ศาสตรน้ําไปต้องมีเจตนาด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีโอกากกินซะถูกต้องถูกต้อง ต้องต้องมีเจตนาในการให้ตรงนี้นะอันนี้คุณจะได้บุญนะมีจิตที่น้อมไปในการให้คุณจะได้บุญทันทีแล้วก็ถามว่าไอตอนที่การให้เนี่ยเป็นสิ่งดีถ้าสมมติพระพเจ้าสอนบอกว่าเฮ้ยให้เฉพาะแค่พวกชั้นนะแล้วพวกอื่นไม่ต้องให้ถ้ามีคําว่าไม่ต้องให้หลุดออกมาจะปะอันนี้พูดไม่ถูกเลยนะคําสองพระเจ้าจะขัดกันเองเอาทำไมให้แล้วทําไมไม่ต้องให้พระพเจ้าก็ต้องบอกว่าให้สิดีการให้เป็นสิ่งดีนะเปน็นการนําออกดีเป็นจาคะดี แล้วก็พูดเสริมต่อไปว่าอ้าวให้เ น, นี่ยนะผลบุญที่จะคือขึ้นจากการให้ของคุณเนี่ยจะไม่เท่ากันนะมันอยู่ที่ผู้รับโอเคนะมันจะมี2 ส, ส่วน2ประเด็นตรงนี้คือ1การให้ให้เนี่ยดีแน่นอนนะอย่าบอกว่าไม่ให้แต่ถ้าคุณจะให้เฉพาะพวกนี้ไม่ให้เฉพาะพวกนั้นคุณคิดผิดด้วยซ้ำผู้ให้นะผู้ให้ผู้รับก็ถือว่าขุดรากตัวเองนะผู้ให้ก็จะบุญตัวเองก็จะไม่เต็ม นะถ้าคิดแค่นี้ฉันจะให้หรือฉันจะไม่ให้กับใครโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ น, นี้การให้ดีแน่นอนนะการไม่ให้การตรนีเอาไว้แม้แต่จะกับพวกใครพวกหนึ่งอันนี้ไม่ดีอันนี้คือประเด็นข้อที่1นะึประเด็นข้อที่2องันนี้สงที่จะเกิดจากการให้จะไม่เท่ากันนี่คือข้อที่2ที่คุณจะต้องแยกย้าให้ถูกนะอันนี้สงคืออะไรคือผลของบุญนั่นแหละผลของบุญที่จะเกิดขึ้นจากการให้เนี่ยมันจะไม่เท่ากัน ่ผู้ชาก็ไล่มาตั้งแต่การให้สัตว์เดรัจฉานใช่ไหมอ่าแล้วเราอย่างมาดูอย่างขอทานมาขอเงินเราอย่างเงี้ยมาเข้าประตูหน้าบ้านเลยขอเงินถ้าเป็นคุณยมติคุณยมติววใจะให้เท่าไหร่ห้าบาทค่ะห้าบาทสิบาทเลยก็ว่าไปใช่ไหมหรือมีเศษสตังอะไรก็ให้ไปเพราะอะไรเฮ้ยถ้าสมมติเราให้ห้าบาทบางทีมันด่าเรากลับเฮ้ยทำไมให้น้อยอย่างงี้มายี่สิบอ้าวนี่ฉันให้เธอนะทําไมฉันถูกด่าอีกอะนึกออกปะเพราะว่าเราให้กับคนไม่มีศีล อันนี้คือคือตัวอย่างนะคือตัวอย่างไม่ใช่ว่าขอทานทุกคนเป็นอย่างนั้นนะแต่แต่ว่ายกตัวอย่างเฉยหรือว่าบางทีเขาเอาเงินที่เราไปเนี่ยไปเสพยาเสพติดอย่างนี้ไปโดน <c oughs> นะมันก็ไม่ดีนะเป็นการบิดเบียนตัวเขาด้วยนะบิดเบีย น, ยน <c oughs> ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นการให้กับคนทุศีลเนี่ยผลมันจะได้น้อยนะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนนะ <c oughs> อันนี้คือคนทุศีนพระเจ้าก็เลยจะเอาคุณธรรมของบุคคลผู้รับเนี่แหละมาจะเป็นตัวบ่งบอกว่า คุณจะได้ผลอันนี้ทรงของการให้ทานคุณเนี่ยมากหรือน้อยค่ะอ่าตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีลูกน้องนะคะเป็นคนขยันขันแข็งนิสัยดีหมดเลยแต่ยากจนเหลือเกินเรามีความรู้สึกว่ามีโอกาสและต้องให้คนนี้ใช่ควรจะให้ควรจะทําค่ะแล้วก็แบ่งปันกันนี้เป็นสิ่งดีแน่เราก็ได้บุญด้วยเราได้บุญด้วยนะคะถ้าเขาเป็นคนดีเราก็ได้บุญมากกว่าไปให้คนไม่ดีด้วยถึงได้เป็นคนธรรมดาใช่ไหมคะใช่ใช่ ทีนี้ในส่วนศีลออท่านเลยค่ะศีลตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องวัดได้นระดับ ท, นนนนที่หนึ่งนะอันนี้อันดับที่หนึ่งคือเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นให้คนกับผู้ที่มีศีลให้ทานกับผู้ที่มีศีลอันนี้ได้อันนี้สงฆ์มากกว่าคนที่ไม่มีศีลแน่อย่างที่เราพูดนะทีนี้นอกเหนือจากนี้อะไรล่ะที่เป็นตัวตัวที่จะเป็นวัดได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีแล้วก็เรื่องของจิตใจนะจิตใจใกล้ว่าจ้าคือศีลถูกไหมแล้วใจล่ะใจเอาอะไรมาวัด ผู้เชี่ยวก็เอาคุณธรรมห้าอย่างมาวัดคือเรื่องของนิวนรณ์้ายอย่างอันแรกนิวรแบบว่าเครื่องที่มันจะมากั้นจิตให้มันมัวหมองหนักือบางคนพูดจาดีอยู่การการะทําก็ดีอยู่แต่ว่าใจอาจจะยังแบบฟุ้งซ่านบ้างมัวหมองบ้างไอ้ตรงที่มันจะทําให้มัวหมองฟุ้งซ่านนี่แหละเขาเรียกว่านิวรณ์ใจมันจะขุนมัวหรือไม่ขุ่นมัวก็ อ, อยู่ตรงนี้อันนี้หมายถึงใจคนรับใช่ไหมจุดต้องจุดต้องของผู้รับของผู้รับค่ะก็ต้องรู้ว่า คนรับนี้มีจิตใจดีไหมจิตใจดีไม่ง่วงเหขานอนใช่ใช่หอย่างคือเรื่องของนิวรณ์นี่ต้องละให้ได้ค่ะนะแล้วก็นั่นก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองมีจิตที่มีสมาธิละเรื่องความพอใจในกามเรื่องความพยาบาทใช่เรื่องความฟุ้งซ่านําคัญใจนะล้ความเคลือบแคลงในคําสอนของพุทธเจ้าพวกนี้ละออกในะใจเขาก็จะสูงขึ้นล้วตนี้นะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบนิวรณเนี่ยเหมือนกับ มเมฆหมอกที่มบาบังพระอาทิตย์หรือพระจันทรนะ์จะทําให้มันไม่ส่งแสงเช่นเดียวกันถ้าจิตเรามีนิวรณ์เนี่ยจิตมันก็จะขมุกขมัวจิตไม่ดีนะกายวิจาจะอาจจะตีบ้างรักษาได้บ้า ง, าาง แ, ตแต่ถ้าใจไม่ดีเนี่ยบางทีกายวิาจารนะ์มันหลุดมันหลุดก็ต้องจิตตีด้วยทนะีนี้พอละนิวรณ์ห้าแล้วต้องทําอะไรให้เกิดด้วยนะก็คืออีก5้าอย่างทําให้มันมีกนะ็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและ ม, มุตติญาณศาสนาะ ในระดับขั้นที่เป็นอาเซกะนี่คือสูงสุดเลยนะสูงสุ ด, สดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไล่าตามลําดับของอันนี้สองคือผลของฐานที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานใช่ไหมมาเป็นคนทุศีล น, นะได้ผลมากขึ้นก็จะเป็นคนมีศีลคนมีศีลเต็มนะก็จะเป็นโสดาบันน ะ, ะมีศีลสมาธิด้วยก็เป็นอนาคามีนะศีลสมาธิด้วยปัญญาด้วยแนะก็จะเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปค่ ะ, คะนะคะดังนั้นเนี่ย วันนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการให้แต่อย่างไม่พิจารณาเลยการให้ดีกว่าไม่ให้ถูกต้องต้องให้คุณยังไงก็ควรจะให้ค่ะไม่ว่าจะให้อะไรก็แล้วแต่ดีกว่าไม่ให้ถูกต้องูตอเพราะว่าเป็นการฝึกการละความตระนีใช่แต่การให้คนทุศีลไม่น่าจะดีมากนะักนะคะ คือคือไม่ดีนนคือ <สง S 2> ดีดีแต่อันนี้ส่งน้อยถูกต้องถูกต้อง อ, อ่ะคือการให้ดีแน่นอนเราเราพูดไม่ได้เลยว่าไม่ดีค่ะเนะียแต่ผลอันนี้ส่ที่เกิดขึ้นจะน้อยค่ะอ่าผลที่อันนี้ส่ที่เกิดขึ้นจะน้อยกับอะไรบ้างอสังคมหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่มันก็จะผลกระทบกันไปเรื่อยๆก็เป็นภาษากันไปภาษากันมาค่ะแต่ถ้าให้คนศีลดียิ่งดีมากเท่าไหร่ดีอันนี้ส่งดีมากเท่านั้นท่านคัดิชันเลยสงสัยค่ะอคือเหมือนกับว่าเอเข้าใจว่า ในการที่เราจะจะทำบุญการให้ทานอืมเหมือนกับการทําอย่างอื่นเนี่ยถ้าเราหวังใช่ไหมคะเราหวังผลของบุญนั้นเนี่ยหวังว่าฉันได้ทานเพื่อจะได้อันนี้สมมากเนี่ยค่ะท่านค่ะอันนี้เปนการให้ที่ถูกต้องไหมคะเอาทําบุญก็ต้องหวังบุญก็ธรรมดานะคุณโยมติวอนมาว่าแต่ถ้าทําบุญแล้วหวังชื่อเสียงเนี่ยไม่ค่อยเมกเซนต์เท่าไหร่ค่ะอะบุญนี่อะไรคุณแบบว่าบุญคือชื่อของความสุขนะคุณโยมติ ก็จะไหมความสุขในใจนะไม่ได้ความสุขจากตาหูนะไม่เป็นกิเลสเหรอคะท่านคะไม่ใช่บุญคือชื่อของความสุขเราเรากำลังพูดถึงในใจนะในใจในชั้นเข้าใจค่ะแต่คำว่าที่ถามว่าไม่ใช่กิเลสเหรอคะเนี่ยก็คือการที่เรามีความอยากจะได้ผลจากบุญมากเหรอ่านคะอันนั้นคืออาสวะใช่นะยังเป็นส่วนที่เนื่องด้วยอาสวะอยู่บุญและบาปยังเนื่องด้วยอาสวะอยู่ก็ยังเป็นระดับโลกอยู่นะยังไม่ระดับเหนือโลกแต่ว่าเราต้องมีบุญเพื่อที่เราจะเข้าสู่ระดับเหนือโลกได้ ถามว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการสั่งสมบูรณ์ถูกต้องค่ ะ, ะมันจะแตกต่างกันกันกบสมมติคุณให้ทานแล้วขอให้รวยอันนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่เพราะรวยนี่มันมาทางตางทางหูแต่คุณให้ทานแล้วเพราะรู้ว่าการให้ทานเป็นสิ่งดีอันนี้ดีค่ะเพราะเพราะว่าจะมีอย่างนี้ไงค ะ, ะบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีจิตศรัทธามากหรอกแต่เราได้ยินมาว่าทําบุญแบบนี้แล้วจะได้อย่างนั้นเราก็จึงทําบุญในลักษณะของการทําทานนะคะ เ, เราก็ทําทานาในสิ่งที่คิดว่าได้อ น, นิสงค์เยอะเงะี้ยค่ะอันนี้อันนี้คนละความหมายแหละในในความหมายของธรรมมาคำว่าอ น, นิสงค์ของบุญคือสมมติเราทำบุญคุณคุณสร้างบุญคุณก็ต้องหวังบุญถูกไหมล่ะค่ ะ, ะมันก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือความสุขในใจที่ไม่ใช่ทางตาทางหูเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติหวังรวยหวังสวยหวังถูกหวยหวังชื่อเสียงอันนี้ไม่ใช่อันนิสงค์ที่ธรรมมาหมายถึงนะ อค่าคนคนละความหมายแต่อาจจะใช้คําที่มันซ้ํากันน่ยก็เลยงงนิดนึงแต่ว่าอันนี้ทรงที่เรามาพูดถึงเนี่ยคือความสุขทางใจใจนะไม่ใช่แบบต้องคนอื่นพูดหรืออะไรหรือว่างเงินที่มีมันถึงจะทําให้สุขไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายความว่าถ้าเป็นการทําบุญแล้วรู้สึกว่าแหมใจสบายใจมีความสุขมันเกิดปีติอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะใช่ใ ช, ใชเพราะเพราะทานนั้นเหมาะสมในเรื่องของผู้รับด้วย เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ศรัทธาในที่เรามีด้วยนะสมมติคุณศรัทธานในมูนิเตนี่คุณก็ทําอ่ะมันก็กแฮปปี้ก็ดีแล้วนี่ถูกไหม <S <S แต่ถ้าคุณไม่ศรัทธานในพระต่อให้พระนั้นปฏิบัติ ด, ดีกันหนเป็นพระอรหันต์แต่คุณไม่ศรัทธาองค์เนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้มพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเนื้อนานะ <S <S เนื้อนาคือนาเนาี่ยถ้าผอกว่ามันมีวัชพืชมีเศษหินเสียอะไรคุณเอาข้าวไปหวานคุณจะไม่ได้ผลมาก นี้คุณต้นทุนคุณมีเท่าไหร่ข้าวที่คุณจะไปหวานนั่นคือศรัทธาที่คุณมีนีไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณเงินนะสมมติคุณมีข้าวอยู่2เมล็ดเนี่คุณไปหวานในนาดีเท่าไหร่ก็ตามเถอะเนี่ยสอเมล็ดก็จะแตกกอมามากได้ผลมากอะไรต่างๆมันก็จะได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าคุณมีข้าวสอ0รเมล็ดหรือ 2,000 เมล็ดคุณไปหวานในนาที่มันอาจจะไม่ค่อยดีนาขุขลาธรรมดาอาจจะได้ผลมากกว่านะเพราะคุณมีข้าวทั้งสอง0ันเมล็ดเปรียบเทียบกับข้าวสเมล็ด แต่สัทธาหน <N> ้าที่นี้ไม่ใช่ปริมาณของของที่ให้ทานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอยู่ที่ว่าความที่เราพอใจความที่เรามั่นใจในคนที่เราจะไปให้นี่สำคัญกว่า <K an> ไม่งั้นเดี๋ยวคนสตางค์น้อยนี่ไม่สบายใจเลย <K an> ไม่ไ้นจนเนี่ยฉันก็ได้ติดหนึ่งอยู่เสมอเลยครับ <K an> พระเจ้ายืนยันในเรื่องของเขาเรียกว่าสามสาสของผู้ให้สามของผู้รับนะสามของผู้รับที่เราพูดสักครู่ก็คือสรุปรวมที่ศีลสมาธิปัญญา <K an> หรือว่าราคาโทสะโมหะมันไม่มี สี่สมาธิปัญญาจะเป็นไปตรงนั้นก็อีกสามหนึ่งของผู้ให้ก็คือศรัทธาก่อนให้ศรัทธาระหว่างให้และศรัทธาในการหลังให้แต่ตรง น, นี้เราต้องมีเป็นต้นทุนของเราะ ค, ะคือถ้าทำบุญทำให้ถูกต้องมันต้องเกิดศรัทธาก่อนถึงจะได้ความสุขอันเกิดจากการทำบุญนั้นแน่นอนใช่นะคะ<ช>และ้วศรัทธามากดีกว่าศรัทธาน้อยใช่เงินน้อยศรัทธามาก ก็คือต้นทุนมากค่ะสมมุต<ช>ิว่าศรัทธาสิบเหมือนกันแต่คนหนึ่งมีเงินหนึ่งอีกคนหนึ่งมีเงินสิบก็จะได้ศรัทธาสิบเหมือนกันจะได้สิบได้ตรงสิบนั้นได้ตรงส<ช>ิบเท่ากันใช่ใช่ต้องคิดสูตรคณิตศาสตร์เลยท่านอกอกําลังจะถามท่านว่าเนี่ยพอได้ความรู้แบบนี้อาจจะมีบางคนนะคะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นก็ยิงปืนนัดเดียวได้อา น, นิสง์เยอะเลยอืมก็เลยใคร ยากจนข้นแค้นเห็นคาตายเงี้ยนะคะก็ไม่ช่วยไว้รอช่วยคนที่มีศีลดีนั่นก่อนอืออันนี้เป็นยังไงคะท่านคะสมมุติเราเห็นคนที่เขามีความต้องการแตนะ่ถ้าจิตใจคุณดีเนี่ยคุณจะมีศรัทธาน้อมไปในการให้ล่ะตรงนั้นเราต้องฉวยโอกาสเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าไอคนที่ที่จ ะ, ท, จะที่รับเนี่ยเขาแค่ดีจริงหรือเปล่าเพราะเราควบคุมไม่ได้ของผู้รับแต่เราควบคุมของผู้ให้ได้คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ให้เนี่ยไอสาอย่างของผู้รับเนี่ย คุณอาจจะดูรู้ไม่รู้เพราะมันบางทีมันยากในการที่จะบอกนะหน้าตาเป็นอย่างหนึ่งแต่ข้างในเป็นอีกอย่างหนึ่งนะข้างนอกเป็นอย่างหนึ่งข้างในก็จะไม่เหมือนกันเราดูตรงที่เราควบคุมได้ก็แล้วกันแตนะ่ว่าถ้าเราเห็นคนนี้เขามีความต้องการเฮ้ยเรามีสตานั้นตรงนั้นนะัช่วยโอกาสในการทําเลยจะดีกว่าในความเปนธรมานะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ความรู้ไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะคงจะไปใช้วิจารณญาณในการที่จะพิจารณาเรื่องของทานแต่ที่แน่ๆ การให้ไม่ว่าจะให้ใครดีทั้งนั้นต่างกันที่อานิสงส์เท่านั้นเองถ้าท่านศรัทธาในคําสอนของพระศ า, าสดานะคะก็ขอให้ใช้ปัญญาในทุกๆ ก, การให้วันนี้ก็กราบน้มสักการท่านภัยบูร์เป็นอย่างยิ่งค่ะเนสักการค่ะท่านฝังที่เคารพค่ะท้ามหาภัยบูรณ์พิปุตรนงจากวัดป่าดอนหายโศดรนธานีค่ะและรายการนี้สรนนิยสนทนาสันสนิยนนาคพงดําเนินรายการ ติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีห้าถึงตีห้าครึ่งเรามีการปฏิบัติธรรมภายใต้การนําของพระอาจารย์ซึ่งสอนการปฏิบัตินี้อยู่เป็นประจําเป็นเวลาทุกวันในช่วงเริ่มต้นของรายการถ้าอยากที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันก็อย่าพลาดตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ